แบบต่อเนื่องมีพลังที่เป็นเชวะนะต่อเนื่องก็มีพลังบุญที่ต่อเนื่องก็มีพลังต่อเนื่องๆวิธีวิธีจิตนี้คิดคิดเท่านั้น ก็จะเกิดให้อกอให้เกิดพลัง จะเช่นปานาธิบาตที่เป็นอาชีพเนี่ยต่อเนื่องยิ่งทํายิ่งหรือตั้งหลักเค้าโดยไม่ปล้นๆเลยพิสูจน์ได้ ในข้ออื่นเหมือนกันแต่ตอนนึงเนี่ยน่ากลัวหมดถ้าต้องเป็นอาชีพเนี่ยแปลมันคนเรามันต้องรักษาชีวิต อธิษฐานบุญลงทีมมาหักเป็นบาปเข้าก็เสียมกันงั้นก็เราก็ได้พอคิดดีถ้าจะขัดคอนี่ก็ขัดแต่ชอบ คือดักตีหมาตัวหนึ่งเข้าดักตีหมาตัวนึงแล้วไอ้หมาก็มาทางผมก็บอก <c oughs> แต่เราน่ะให้มันไปคือว่าดักให้เค้าตีได้ดักยังไงให้หมาหนีไปได้นะแต่ดีว่า ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเจออย่างนี้น่ะผมถามพี่ตีมทําไมล่ะเอ่ออย่างนี้จะทําให้ไปกินไหนไอ้ผลแล้วทําไมหมดมาให้มันขโมยวัตถุผมเห็นเหรอเป็นไรเดี๋ยวผมซื้อก็หมดเรื่องกันไปใช่มั้ยนะเออบอกให้มันกินเถอะมันกองหิวอ่ะ คือหมดเลยกันไปทีนี้เมื่อปัญจาทวารลวิถีเกิดแล้วจะมีเนี่ยมันถึงจะ <c oughs> ทุกอย่างนั้นเป็นอัตโนมัติของนิสัยกับอัตโนมัติของกรรมที่เป็นตัว ไม่ใช่วิธีเดียวหลายวิธีหลายขั้นของความเข้มข้นยิ่งปรุงแต่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้มข้นไป รู้จะคิดให้เป็นกําไรยิ่งขึ้นหรือจะคิดปริจักอ่าน่าจะขัดทุนแล้วกลายมา แล้วตรงนี้น่ะก็จะชี้ให้เห็นว่าเมื่อปัญจาทวารดับความคิดเป็นอิสระความคิด ทั้งทั้งร้อยฮะทั้งร้อยแต่พอ องค์ประกอบต่างๆเฉพาะหน้านี้เข้ามามีส่วนมากยิ่งขึ้นที่ๆไงว่าเอถ้าหากว่าความคิดเรามันจะ มีสายเราส่งสมไปแล้วมันจะเป็นบุญกับนิสัยเก่าเป็นบาปนิสัยเก่าเจริญก้าว อ้างได้มันน้อยปัญญานะปัญญาในความเป็นตัวของตัวเองไม่มีมันน้อยมันอ่ะไม่ใช่ตัวเดี๋ยวนี้พอพอถึงมโนทวารยิ่ง รุนวิถีแรกที่เป็นมโนทวารวิถีเกิดอ่ามโนทวารวิถีก็ไม่ต้องแปลนะ 18 นะฮะมัน ทางมโนทวารวิถีอาเหตุมีกี่ดวงสองดวงเกิดใน จะเรียกในระบบทฤษฎีว่ามโนทวารวารชนะไม่เรียกว่าโวธปนะจิตมันที่ บางทีก็เรียกว่ามโนทวารนนะนะครับแปลว่าเรียกเมื่อปัญจทวาร มโนทวารวิถีคิดเรื่องอะไรต่อคิดเรื่องรูปต่อเรื่องรูปต่อคิดอารมณ์นะฮะนี่ต้องฝากไว้ด้วยล่ะไม่ได้คิดว่าเราไม่ สัมผัสแล้วด้วยปัญจทวารวิธีนั้นคิดอารมณ์ๆจากๆเวลาเก่าๆเนี่ยเราจะนึก 2 อย่างคือ 1 นึกถึงอารมณ์เช่นคนไปเอ่อ รูปที่หน้ากลัวพ้นหน้าไปก็มานั่งคนพอประหยองกล่าวนึกถึงก็ มโนทวารนั้นน้อมนึกเฉพาะอารมณ์เอามาคิดต่อเอาอารมณ์มาคิดต่อไอ้ เอาแหละข้างนอกมุ่งไปถึงข้างนอกมุ่งไปจัดต้นกับข้างนอกเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ชั้นต้นต้นมันจะเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นของจิต 3ๆกันตรงนี้ครับเป็นที่น่าอัศจรรย์มโนทวารัญญะหรือเสียงที่ปัญจทวารเห็น อ่าในนี้ใช้แค่ที่ที่แปลว่า 6 เนี่ยถ้าเกิดต่อ 5 แต่ถ้าเป็น 6 ก็ผมก็เขียน 5 พอแก้เป็น 5 ไปก็แล้วกันอย่า โอเคเอาเป็นว่าปลื้มด้วยอารมณ์ 5 ถ้าปลื้มต่อจากวันจันทร์ตะวันนะเรื่อง แต่ๆน่ะปัญจาลมก็เป็นปัญจาลมวันอย่างค่ําใครจะรู้ไม่รู้เลยเป็นปัญจาลมวันอย่างค่ําธัมมาลม และธรรมอารมณ์ท่านใช้คําอย่างนี้ปัญจาทวารไม่ได้ไปได้เฉพาะปัญจ ผมนึกอุปมาไม่ทันก็เลยคงจะฟังเอาหลักมันยังไม่แจ่างนะว่าเดี๋ยวนึกทันจะบูผม มารู้ต่อมาขยายความต่อปรุงแต่งต่อใครเป็น แล้วเราไม่ลนได้มันบอกไม่ได้ครับมันเป็นธรรมดาของจิตมันจะเนี่ยบอลไหลลง มันก็อยู่ที่ว่าใครจะจะลนไปในทางดีหรือตื่นขึ้นมาเอง ไม่ต้องมีธรรมติชนะไม่ต้องมีอะไรอะไรอย่างที่มียืดยาวเมื่อตะกี้นี้เพราะว่าอารมณ์ได้แล้วมันย่อยมาแล้วอ่านหนังสือแล้ววาง มันมันย้ายเสร็จแล้วมันจะเป็นวัวเป็นควายก็เคี้ยวเอื้องเอาไว้แล้วอะไรที่เตรียมไว้แล้วหนองขั้นตอนมันไม่มีน้ํา ที่มันเกิดอ่าทําความเข้าใจในอารมณ์ไว้ และเพราะปัญจทวารเองเป็นผู้เอื้ออํานวยไว้ให้เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยแต่ เกิดสืบต่อจากปัญจทวารก็ดีกว่าปัญจทวารเหล่มกว่า เนี่ยทั้งที่ตาเห็นได้ก็ใจเห็นแทนตาได้ยินๆ ผมเจอเรื่องนี้ใหม่ๆผมก็สงสัยเอ๊ะมันได้ๆแต่ว่าสิ่งมันโอ้ๆอ่ะสัมผัสโกรธๆเนี่ยอย่าง ไม่ใช่อนุมานนะใจเนี่ยเออซึ่งอันนี้ในทางหลักแล้วก็บอกไม่แปลกเพราะว่า ถึงอมื้อช่วยไปพูดเจรจาให้หน่อยนะส่งคนกลางไปส่งคนได้มั้ยถ้าตัวมีบารมีแล้วพูดเองก็ได้ใช่มั้ยล่ะไม่ต้องไปผ่านคนกลางไม่ต้องไปหวานเค้า โอกาสเตียนมาเยอะเห็นมะโอกาสเข้าถึงผู้เยอะๆมากเพราะนั้นความแม่นในทางการรับรู้ด้วยใจตรงเองเนี่ยแน่นอนครับไอ้ตามันเห็นรูป เมื่อมโนทวารเราจะเออจวณะเสพไปเลยนะเสพไปเลยเพราะมันของล้อมแล้วเปิดฝา เราคงยังไม่ตายจากๆไปอีกในแง่เนี่ยมันยังนะเรา อวัจจตวางเข้าหนังสือมาไงเนี่ยไอ้วิธีแรกๆอย่างเพราะรถตรงนี้น่ะเราจึงยังทําอะไรที่เรียก เอ่นใดอินใดเป็นที่พระพุทธเจ้าก็อย่างนี้ครับ <c oughs> ทางปัญจทวารลาวชนะนี่นะอุวิถีมัน แล้วก็มันจะเป็นบุญเงินดาบมัน ศีลท่านตรัสว่าสัตว์เนี่ยชวนชวนะนี่จึงว่าสัพพชวนะนั้น ศักดิ์แปลว่ารู้ด้วยอํานาจของเก่ากรรมเก่านิสัย มันก็มีสักอยู่อีกวโนทวาราวเป็นฆารยะฆารยะนะ 1 วะอตีตาคือรู้ซ้ํากับรู้รวมนามัสคือรู้ชื่อแล้ว แล้วก็สุทธะคือคิดหรือขยายต่ออีกนะแล้วก็จะชี้ให้ 4 แต่ว่า บรรดามันสักทั้งวิถีนั่นน่ะมันศักทั้งวิถีกองถุงชวนะน่ะมันศักในแง่วัน เกิดขึ้นจากการบังคับของปัญจทวารายนะส่วนแรกคือบาปกับเอ่อนิสัยเป็นตัวกําหนดมาๆบุญๆมีกําลังน้อยคน บรรชาในจวนะในปัญจัพก็ไม่ได้เพราะเป็นแค่หลักๆนำไปเวียนว่ายตายเกิด มโนทวารที่เกิดที่เป็นคือพอปัญจทวารดับในวิธีแรกที่เขียนให้ดูในนี้เนี่ยมันจะเอามารับ แต่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะอิทธิพลของปัญจะทั้งวิธีมันยังบังคับอยู่เอ้าจะไปคิดอิสระอะไรมันจะไม่รู้สึกนี่เรียกว่ายังปัญจทวารยังเป็นพี่เลี้ยงตัวเองก็ได้ผลทําเหมือนพระทุโดง อ่าฝို့ลูกศิษย์ก็จะไปอะไรนอกนอกนอก แล้วไอ้จริงก็ให้ปัญจทวารแปลว่ามันก็เหมือนเด็กอายุอย่างน้อยใช่มั้ย 2 คนแต่ แต่อยู่บ้างคนเดียวไม่ได้ทั้งว่าไอ้อยู่บ้างไปบ้าโรงๆกันอย่างนี้ทีนี้พอนอีกระยะนึงคือสมูหารู้ๆมาเนี่ยรู้ซ้ําแล้วแล้วก็ใน มันมีชาวนาคนะปันในมโนทวารตรงนี้นะนิสัยก็ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวกลมเสร็จแล้วก็เนี่ยก็สน แน่นำเมื่อมีใครคนหนึ่งมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้พระองค์นั้นมีคุณสมบัติอย่างงี้งี้แล้วก็เมื่อ 20 องค์เจอรู้สึกว่าเราสะดุดตาพระองค์ใดว่าพระองค์นี้ท่านชื่ออะไรอยู่ ออกไปอีกนะเท่าไหร่ว่าความรู้ บุคคลเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้แล้วต้องกําหนด นะหัวเหลือหัวหลักมันรู้อารมณ์ยังไงบริสุทธิ์ยังไงมันก็รูปศักแต่ว่าเป็นรูปตามนั้น ถึงจะเปะเจ้าหน้าก็ไม่มี ความรู้หลังนั้นน่ะเราเรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไอ้คําพูดพอพูดแต่ว่าอภิธรรมแล้ว ตรงนี้ไม่เหมือนกับปัญจาณ์ซะแล้วล่ะครับปัญจาณ์น่ะ อ่าบุญญิยาอะไรก็ตามเลยครับเสียที่เพ่งหมายถึง ไอ้กินอาหารไม่อร่อยอย่างชนิดที่กินข้าวไม่ลงก็กินแล้วเป็นเที่ยวกับเด็กกองก็ความอร่อยไม่ความรู้ปิดอกติดไม่ชอบบอกมันก็ไม่มีเหมือนอย่างผู้ใหญ่กล้วยสวยมันก็กินบาง ไอ้ของอะไรที่มันร้อนๆเปื่อยๆยังให้พ่อแม่อมดูดไปซะก่อนอย่า ก็เป็นความอร่อยจากความอร่อยเป็นความอร่อยจากความอร่อยเอคมมั้ยที่คือถ้าหากว่าคนธรรมดา ถ้ายังทําอย่างนั้นเราเทียบให้ฟังเอาภาษาก็รู้สึกเราไปเทียบท่านอร่อยที่เป็นนึกต่อเหี่ยวนึกซอกินกําหนดแล้วมันๆมันมี กินอาหารอย่างสตินั้นจริงได้ทั้งคุณค่าทางจิตเอ่อโบจิเอ่อวิตามินทางจิตสารอาหารทางจิตแล้วก็ได้สารอาหารทาง แล้วถ้าเมื่อใดเกิดไปกินอร่อยก็ไม่ค่อยมีความสุขหรอกครับแป๊บแป๊บวันๆแล้วตีให้มีความเช่นสมมุติว่าเรานั่งธรรมทานเดินครับนี่ถ้ากินแล้วนะกิน ไอ้แล้วก็สู้ไม่ได้ทํากรรมฐานต่อจากนั้นแล้วก็สู้ อร่อยไม่อร่อยเออก็กลับมามาความโลภะมันที่ตัวเองสิสําหรับคนที่มีบุญบางคนนะเนี่ยครับที่ ปรุงแต่งชั้นแรกน่ะเรียกว่ายังปรุงแต่งอยู่ในอิสระเรียกว่าสุทธะ แล้วแต่ความแรงของเรื่องอารมณ์นั้นเราแล 20 ปีทั้งในแง่ดีแง่ไม่ดีไม่ลืมเลือนบางเรื่องเลยแม้ อยู่ที่ไหนก็ไม่เคยลืมเนี่ยเพราะอะไรเพราะในทางความทุกข์ก็เหมือนกันเอาทั้งเนี่ยมัน ลังแกเราได้แค่วันนี้อย่าปล่อยให้มันตามลังแกเรา ไอ้ทีเราเหมือนกันแหละบาปแล้วก็สูดตากันจริงภูมิแต่งกันนะเนี่ยมาพอเราเจอ <g ül> แล้วก็เปิดพอดีเออก็ฟังสักแต่ว่าฟังวังเนี่ยปลาโลงลาวป่ะคงก็ไม่ได้อยู่อ่ะทีนี้เนี่ย อารมณ์ใดเป็นอารมณ์ดีที่เป็นบุญกิริยาต่ําที่ไม่ได้อยู่ในความมุ่งหมายจะกําหนดเหตุเป็นดียังติด ฝึกกรรมฐานไปสอบบรรลุเราสอบแล้วเรากําลังมานั่งปฏิบัติของเราอยู่ <c oughs> ให้กรรมฐานบทต่อไปเราจะมานั่งฝากก็ไม่ได้แต่ว่าอีกในทางปฏิบัติจริงมันมีศักเป็นระยะบางเรื่องอ่ะอย่างนั้นได้อันนี้ โดยไม่ถือเอาโดยอาการใหญ่และอาการย่อยรายละเอียดอาการใหญ่ก็ว่าอะไร แล้วขยายออกไปเป็นรายละเอียดซอกๆๆๆเป็นอนุพยัญชนะ มือเป็นยังไงนิ้วเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงเป็นอนุพยยชนเห็นนิ้วโผล่นิ้วเรียวเป็น อวิชชาดอนน่ะก็คล่องๆอย่างนี้ล่ะอวิชชาจบเกินเวลาไปเยอะขอโทษเวลา เดี๋ยวเราพักเดี๋ยว 10 นาที